อาจารย์เลนตอนพอัพกเราสวัสดีปีใหม่ยังใหม่อยู่เนาะนักเรียนเยอะหลวงพ่อดีใจนะเจอเด็กๆปกติตามวัดมีแต่คนแก่ยากเว้นวัดหลวงพ่อนะวัดหลวงพ่อคนหคนุ่มคนสาวเยอะคนหคนุ่มคนสาวรุ่นนี้คนไหนไม่พ่อนาคน่อนข้างเฉยนะหลวงพ่อก็ดีใจอาจารย์ซุขนะอาจารย์ซุปเป็นคนซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ดี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 คนมีความรู้ความสามารถมีมากนะอัตราคนรู้หนังสืออัตราอะไรพวกนี้ของเราสูงแต่ว่ามันเป็นสังคมที่คอรับัสังคมที่ค่อนข้างทุจริตนักการเมืองก็ไม่ซื่อกับประชาชนชหแต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหาทางนั้นเลยเราทาเป็นยิ้มยิ้มนะในบ้านเรามีปัญหาไหมก็มีเหมือนกันลูกศิษย์กับอาจารย์ก็มีปัญหา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 คนไหนไม่รู้ทันใจตัวเองจะตกเป็นเหยื่อจำไว้นะพวกเด็กๆเราจะกลายเป็นเหยื่ออย่างคนเข้าผลิตสินค้าอะไรขึ้นมานะเขามายั่วเราให้เราอยากได้จนะอยากได้ก็หาเงินมาขอพ่อขอแม่นะพ่อแม่ก็ลําบากจะแย่อยู่แล้วยุคนี้นะเราก็อยากได้เรามีความอยากเยอะบางคนก็หาเงินโดวยวิธีที่ไม่สุจริตตัวเราเองแนละนะเด็กๆ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 มีใครจะโกโหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกโหกมีไหมในห้องนี้มันก็เคยกันทุกคนอ่ะนะแต่ว่าเราไปเห็นว่ามันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ความผิดใหญ่ๆเนี่ยมาจากความผิดเล็กๆทั้งนั้นเลยนะเริ่มต้นเด็กๆก็โ ก, โกโหกเล่นๆนะต่อไปก็โกโหกจริงจนะังเวลาคนที่จะโกโหกนะต้องใช้ความจําเยอะเห็น ไ, ไหมเราไปพูดกับคนนี้ไว้อย่างนี้เราต้องจํานะเดี๋ยวเราไปพูดทีหลังไม่เหมือนกันเขาจับได้ะ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 มันเมอเมอมันใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเมอไหมไปสังเกตนะวันหนึ่งมเมอบ่อยๆเมอทั้งวันเลยเดี๋ยวก็เมอแว บ, บเดี๋ยวก็เมอแว บ, บอย่างตอนนี้น้องมุกเมอไปแล้วนะใจหนีไปคิดปแ๊บบไปนะีเนี่ยพอสอเนี่ยใส่เสื้อพอสอกาลังใจลอยไปรู้สึกไหมใจมันหนีไปนะให้เราคอยรู้ทันใจตัวเองนะหัดรู้ทันใจตัวเองแต่ละคนก็อยากมีคนรู้ใจ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 น้องมุกก็หลงไปคิดแล้วเห็นไหมเนตนารีนั่นก็หลงไปละนะเสื้อเขียวเขียวใช่ไหมเขาเรียกเนตนารีป่ะมันแปลว่าอะไรอะ่ะลูกตาผู้หญิงหรือผู้หญิงที่มีลูกตา <c oughs> ก็ไปดูนะ้ำแปลว่าอะไรนะสังเกตไหมใจเราจะหนีไปเรื่อยๆนะใจเราหนีแวบบแวบบแวบบไปหนีแล้วหนีไปไหนสังเกตไหมหนีไปคิดเ สนมากหนีไปคิดใจเราหนีไปคิดแว้บไปพอเราไปคิดนะบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์นะ <sk r isa> คิดบางเรื่องมีความสุขเห็นไหคิดบางเรื่องก็มีความทุกข์มีความกลัวมีความกังวลนะอย่างคิดเรื่องอย่าเข้ามาหาวิทยาลัยชักกังวลลนะนี่นะใจเราหนีไปตลอดแห้คอยรู้ไว้รู้ทันรู้ทันนะอย่าไปบังคับมันไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับตัวเองศา ส, สนาพูดไม่ใช่ศาสนาเก็บกฎ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 ใจิตใจสงบใจิตใจตั้งมั่นเรียนหนังสือก็จะดีขึ้นเรียนง่ายขึ้นภาวนาไปเอะดีทั้งนั้นเลยนะหรืออย่างเราหนุ่มหนุมสาวสาวใช่ไหมอยากมีแฟนอยากมีกิ๊กอะไรเนี้ยเราภาวนาไปนะเรารู้ทันใจเราต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนนะเรารู้ทันมันหมดเลยมันจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกเพียงแต่เราเต็มใจให้มันหลอกนะแล้วเรคอยรู้สึกนะหัดดูของเราไปเรื่อยๆนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะ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 ให้คอยรู้สึกตัวใจไหลไปรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกใจมันจะไหลไปคิดตลอดเวลาถ้ารู้สึกได้ต่อไปใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธนัเป็นศาสนาที่มีอะไรอยู่ไม่ใช่ศาสนาที่ว่างเปล่าสอนสอ น, สอนเลื่อนเลื่อนลยลอเป็นปรัชญาไม่ใช่ไม่ได้สอนให้เราเชื่อด้วยแต่ว่าบอกวิธีให้เราพิสูจน์ด้วยวิธีพิสูจน์ศาสนาพุทธนะัก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้ทัน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 ค่อยฝึกนะแล้วเราจะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อหัดภาวนาครั้งแรกอายุเจ็ดขวบงคงน้อยกว่าน้องมุกตอนนี้ใช่ไหมถึงเจ็ดขวบยังถึงแล้วนะหัดเจ็ดขวบนะหัดภาวนาตอนนั้นไปเรียนยกับท่านพอลีวรโศการามหัดหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนฝึกแล้วได้แต่ความสงบ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 เดี๋ยวเด็กลับไม่ไหวมีคนมีคนต่อคิวอยู่ครับเล <Le ar. S 2> แต่เป็นเด็กทั้งหมดเลยครับไหนวาดไปเลย<ช>มาเจ้าที่ขอขอไหมเห็นไหมน้องมุกตื่นเต้นเห็นไมตื่นเต้นทำยังไงดีรู้ว่าตื่นเต้นน ะ, นะให้คอยรู้ทันตัวเองนะก็ช่วงนี้หนู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 เขาคุ้นค่ะหลวงพ่อแล้วจะนำไปปฏิบัติถ้าทางดีใจตรงนี้แหละ <c oughs> ยิ้มขึ้นมาเลยเนาะหลวงพ่อให้รู้ทันแล้วก็กินได้น <c oughs> มัสการครับคือผมอยากจะขอคาแนะนำครับว่าผมนี่ต้องปฏิบัติยังไงถึงจะถูกกับจริตครับของหนูนะ่ามันเป็นคนคิดมากชื่ออะไรปอมครับชื่อปอมนะปอมปอมหรือปอมเฉยเฉปอมาเอาอ่างมามาครับอ๋อชื่อปอม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 ตื่นเต้นเลยเเไปกดเอาไว้เตรียมไว้กี่คนจันอะนี้ยี่สิบเหรอมาสู้ตายมา <c oughs> น้องกานะคะคือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนขี้อายค่ะต้องใช้หลักธรรมอะไรคะที่ไม่ต้องขี้อายก็ดีกว่าหน้าด้าน <c oughs> เราเพียงแต่ว่ามันอายขึ้นมามันประมาะใช่ไหม <c oughs> มันประมาอะไรเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเรา ใจเราประมาขึ้นมาเราก็รู้ไปหัดรู้ใจตัวเองนะอย่างคนไหนขี้มโมโหนะดูใจตัวเองเรื่อยๆต่อไปก็ไม่มโมโหคนไหนประมากเก่งขี้อายดูใจตัวเองบ่อยๆอีกหน่อยก็ไม่ขี้อายหรอกนะมันมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาไปฝึกตัวเองนะต้องช่วยตัวเองนะแล้วการศึกษาที่ดีนะัต้องสอนให้คนพัฒนาตัวเองให้ได้ไม่ใช่สอนเป็นก๊อปปี้นะเป็นกระดาษก๊อปปี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ หลวงพ่อเลยชอบจานซุปนะสอนไม่เฉพาะวิชาการนะสอนคนให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้จริงๆริธรรมสการค่ะคืออยจาจะถามว่าปกติที่โรงเรียนจะให้นั่งสมาธิตอนเช้าว่ะค่ะคือแบบพอเผลอไปก็รู้ค่ะแต่แบบพอมันมีจุดหนึ่งแบบมันก็หยุดคิดหยุดทุกอย่างเลยค่ะเฉยไปเลย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 เราไปจ้องไว้ะตรงที่เราจ้องอย่างเนี้ใจมันจะถลําลงไปนะจะนิ่งๆไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ในทางศาสนาพุทธเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกไปแล้วก็ใจนิ่งๆได้แต่ความสงบนะงั้นเราถอยออกมานิดหนึ่งเราค่อยรู้สึกเห็นร่างกายมันทํางานเช่นมันหายใจเห็นจิตใจมันทํางานนั่งแล้วคอยดูกายค่อยดูใจะจะได้ไประโยชน์กว่านั่งแล้วให้ซึมจิตของหนูนั้มันไปติดความซึมไปแล้ว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 อ่าต่อไปนมัส ก, การครับคือเ อ, อผมจะถามหลวงพ่อว่าทําไมเวันวันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกแบบจะสุขก็แบบสุขสุดๆเลยอ่ะครับแล้วบางทีก็ทุกข์ก็แบบทุกข์มากถึงขั้นแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับเราถูกอารมณ์มันครอบงํานะมีความสุขเราก็ถูกความสุขครอบงําใจเราก็หวือหวาไปเวลามีความทุกข์เราก็ถูกความทุกข์ครอบงําใจก็เศร้าโศกไป ให้คอยรู้สึกตัวไว้รู้ทันใจใจมันมีความสุขนะเราก็เห็นใจมันมีความสุขมันไม่ใช่เรามีความสุขแต่ว่าใจมันมีความสุข <Okay. S 2> เวลามีความทุกข์เราก็ดูไปใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์ ค, คอยดูเรื่อยๆเราทาตัวเป็นคนดูนะอย่าให้ซึมก็แล้วกันนะครับนวัต ก, การครับหลวงพ่ออยู่ไหนนอะยกมือหน่อยครับคือ ตอนตั้งแต่อนุบาลก็รู้จักแต่ให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับอาทิตย์เลยครับก็เพิ่งมาได้ยินเขาว่ารู้สึกตัวก็กับที่สุพ่ะครับตอนม อ, อยู่มห้ามมหกะครับอืก็จากนั้นก็ผมก็ไปไปเจอไปหาอาจารย์ ด, ดังตินนะครับที่งาสัปดาห์หนังสืออาจารย์ ด, ดังตินเ้าก็แนะนําให้ผมแบบระลึกดูทาไว้อย่างเงี้ยครับอืมผมก็ทํามา ไปเรื่อยๆครับผมอยากดูใจมันเริ่มใครออกจากการเพ่งแล้วนะต่อไปนนี้เรารู้ไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเลยนะไม่ใช่รู้แต่เท้าล้วครับแล้วคือตอนนี้ผมเผลอไปหรือเพ่งครับตอนนี้เผลอไปคิดเห็นไหมครับสังเกตแม่ใจมันวิ่งไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆไม่ห้ามมันนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับให้รู้ทันนะไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะครับ ใจมันไหลไปเรารู้ใจมันเนี่ยตอนนี้ใจมันไปแล้วรู้สึกไหมมันจะไปสังเกตอะมันจะไปดูใจให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วะครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยอยากนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูได้ได้มันนั่งแข่งกันไหมหลวงพ่อนั่งมายี่สิบกว่าปีอนั่งไปแหมมีนั่งดูให้ดูด้วยรู้สึกไหมว่าเราน้อมใจให้นิ่งถอยขึ้นมา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 คนที่ติดสมาธิซึมๆนันะจะอยู่กับโลกไม่ค่อยได้อ่ะพอออกมากระทบกับโลกข้างนอกสิ่ชีมโมโหพอเวลาหลบอยู่ข้างในนะมันมีความสุขความสบายพอเคลื่อนออกมาข้างนอกนะเจออะไรมันก็หงุดหงิดไปหมดเลยเพราะนั้นพยายามรู้สึกตัวนะอยู่กับโลกนี่แหละไม่ต้องหนีโลกไปไหนรู้สึกตัวอต่อไปมีไหมน้ำมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือหนูจะถามว่าในวันวันหนึ่งอะค่ะมันจะยุ่งยุ่งแล้วมันก็จะเหมือนแบบ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 ส่วนพวกเราหัดภาวนานะเราจะเผลอแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกนาทีหนึ่งบางคนเผลอได้ตั้ง30ครั้งเยเก่งมากเลยนะยิ่งมากยิ่งแสดงว่าสติเกิดบ่อยนะอย่างน้องหมวยรู้สึกไหมใจโล่งโล ง, ลงสบายขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช่หมหมดภาระจะถามหลวงพ่อแล้วใช่ไมนะใจก็โล่งขึ้นมาเราก็รู้ทันนะแล้วไงอีก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 อาจรารย์ซุปสอนลูกศิษย์เก่งนะลูกศิษย์พอส่งการบ้านเสร็จนะใจสว่างขึ้นมาเป็นแถวเลยนี่อาจารย์ซุปเลือกมาหรือเปล่าเนี่ยเลือกมาแบบเจ๋งๆมาให้หลวงพ่อดูรู้ป่ะอ้าวต่อไปต่อไปหมดหรือยังนมรสการครับหรือไงหลวงพ่อไม่เห็นยกมือยกมือก็คือหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมากําลังรอหาว่าจะถามค like like ําถามใครดีครับแล้วก็คือใจมันอยากถามแต่ว่า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 นี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอรู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาพอจิตมันตื่นขึ้นมาต่อไปความขี้เกียจเกิดขึ้นพอรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาความขี้เกียจก็เด่นหายไปเลยเ <ầ ม S 1> นะี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบครับเออหัดอย่างนี้นะต่อ<ำ>ไปนี่หลวงพ่อให้กันบ้านกันบ้านของอาจา ร, รย์ซุปก็ต้องทนะ <ไป S 2> ํานะกันบ้านของหลวงพ่อจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดเอาข้อเดียวแหละะทุกคนเลยนะจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดแล้ว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 เราก็คิดเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองจะทํายังไงไม่ให้เรามันถ้ามันเบี้ยวจะถ้ามันเป็นเรื่องทงางโลกโลกนะสงสัยได้สงสัยแล้วก็ไปค้นคว้าหาคําตอบนะเพราะเราจะอยู่กับโลกคนที่ไม่ยอมสงสัยเลยเลยจะทํามาหากินไม่ได้หรอกนะงั้นต้องแบ่งกันนะแต่ถ้าอยู่ๆก็สงสัยเรื่องโน้นสงสัยเรื่องนี้นะั่นเรียกว่าฟุงา้งซ่านแต่เราฟุ้งซ่านไปเรื่อยเรื่อยเราคอยรู้ทันเอาจิตใจเราจะถูกจัดระเบียบใหม่มีความสงบขึ้นมามีความตั้งมั่นขึ้นมา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 ขอบคุณมากครับอ่าต่อไปพระวสการครับหลวงพ่ออยากถามว่าบางคืนนะครับเวลานอนแล้วมันวันพรุ่งนี้สมมุติมันเป็นวันที่ว่าน่าตื่นเต้นแล้วเวลานอนนอนไม่หลับอะครับอืมแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้นแล้ก็รู้ว่าคิดเรื่องนั้นอืมแล้วก็กลับมานอนแต่มันก็นอนไม่หลับ อ, อืมไม่หลับลุกขึ้นอ่านหนังสือเดี๋ยวก็หลับก็ทำอย่างนั้น อ, อ, <c oughs> อะไรนะก็ทําอย่างนั้นแล้ว ใช่คือควรจะหลับหรือไม่หลับนะอยู่ที่สบายใจไหมถ้าสบายใจนะแป๊บเดียวก็หลับลนะอย่างเวลาเรานอนไม่หลับเรากลุ้มใจใช่ไหมเราไม่สบายใจแล้วถ้าเราไม่สบายใจเรากลุ้มใจนะจิตใจยิ่งไม่มีความสุขจิตใจที่ไม่มีความสุขเนี่ยจะไม่มีความสงบแต่ถ้าเรามีความสุขนะสบายบายรู้สบายๆแป๊บเดียวก็หลับลนะถ้าเป็นคนปฏิบัตินะคนไหนมาบอกหลวงพ่อว่ามันไม่ยอมนอนหลวงพ่อบอกโชคดีละ วันนี้เราจะภาวนาทั้งคืนเลยถ้าคิดอย่างนี้นะห้านาทีก็หลับแล้วแล้วเมื่อี้เวลาฟังหลวงพ่อเทศนะครับมันง่วงรู้ว ง, ง่วงเอ้มันก็จะหลับแล้วบางทีมันก็เผลอไปหลับ น, นิดนึงแล้วมันก็ดุ้งขึ้นมามแล้วมันก็ง่วงก็นั่งมันก็ง่วงง่ายแหละถ้า อย่าไม่ง่วงนะก็ลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวหาอะไรทำาการปฏิบัติทมไม่ใช่การนั่งหลับอุหลับตานะเดี๋ยวก็ง่วงนั่งแป๊บเดี๋ยวก็ง่วงแล้วพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเนี้ยเราจะทำอะไรนะเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะเคลื่อนไหวไว้เราจะได้ไม่ง่วงแต่ถ้า ง, ง่วงจริงก็ไปนอนซะแลพระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้ ง, ง่วงไว้แปดวิธีนะแดวิธีอันหนึ่งคิดถึงสัญญาหรือคิด ยากอาจารย์ซุปไปสอนเราเองก็แล้วกัน <c oughs> คิดถึงคิดถึงเช่นคิดถึงอาสุพระสัญญาเช่นคิดถึงร่างกายเราเนี้ยดูมันไม่สวยไม่งามนะโศกปลกหรือคิดถึงมรณะสัญญาคิดถึงอีกหน่อยเราก็ตายแล้วละลอะไรเงี้ยการที่คิดคิดคิดเรื่องพวกนี้นะจะทําให้หายง่วงได้พิจารณาความรู้เราเคยเรียนอะไรมานะเราทบทวนวิชาการวิชาที่เราชอบนะ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 สมมติทำทุกวิธีทางแล้วยังไม่หายง่วงก็ไปนอนนะมาตรการขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะไม่ใช่ขั้นแรกแล้วก็ไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยในเวลาหนึ่งนาทีนะเออาก็ขั้นสุดท้ายเลยนะกระดูกระติกไว้แล้วจะได้ไม่หลับมากนะอ้าวต่อไปรรมศาส ก, การหลวงพ่อครับคืออยากถามว่าบางทีเวลาเราฝึกสตาธิอย่างเงี้ยครับ รต่ว่าเวลาเรารู้ล้วก็อารมณ์มันดาบอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่รู้สภาวะอื่นๆครับมันจะนิ่งๆอันนั้นเป <ๆ S 2> ็นสมถะนะเราก็รู้ทันว่าใจเรานิ่งแล้วเราก็รู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าใจเรานิ่งแล้วเราพอใจรู้ว่าพอใจถ้านิ่งแล้วเราเกิดกังวลไม่รู้จะปฏิบัติยังไงต่อแล้วชักกังวลรู้ว่ากังวลนะมันไม่นิ่งตลอดหรอกนิ่งแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวอีกทีหนึง่ง แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกกับนิสัยตั ว, ตวเพงหรือเปล่าพยายามเคลื่อนไหวให้เยอะกว่านี้นะถ้าเป็นนั่งมากๆจะซึมนะจิตมันพร้อมจะเข้าไปหาความสงบพยายามไปทํางานอะไรไว้กระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวนะอตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลรุบไปเลยเราก็รู้ทันเมื่อกี้ไหลไปข้างซ้ายหรือข้างขวาดูออกไหม เวลาไหลไหลเอียงเอียงได้ด้วยนะไม่ใช่ไหลตรงๆดูออกมไหมตะกี้ไหลข้างไหนซ้ายเออข้างซ้ายถูก เ, นะเอาละชักยุ่งแล้วดูกันใหญ่แล้วข้างซ้ายข้างขวา <laughs> <laughs> ข้างไหนตกลงใครไหลไปข้างซ้ายบ้างใครไหลไปข้างขวาบ้างลงวมความแล้วดูไม่ออก <laughs> อ้าต่อไปนริศการพหล นัสการขลุ่นพ่อคือแต่ก่อนหนูจะเป็นคนดื้อมากค่ะแต่ทีนี้พ่อได้รับคำแนะนาดีๆจากพี่ซูป่ะค่ะคือแค่นั่งฟังวิดีโอแล้วแบบมันเหมือนกับค่อยๆซึมซับเข้ามาค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับเราแบบสิ่งมีชีวิตที่เราเจอทุกๆคนนะคะทั้งทั้งสัตว์ทั้งคนมันเหมือนกับเรามีมุมมองแปลกๆใหม่ๆดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้มันสิ่งต่างๆที่มันมากระทบจิตใจเราค่ะมันทําให้เราแบบรู้สึกเย็นลงค่ะใจเราเย็นลงอะเรารู้สึกสงบอค่ะแต่ทีนี้ เวลาที่คุณแม่มีปัญหาค่ะคือแบบในบ้านจะแบบอาจจาะคุณพ่อแม่จะแบบมีปัญหากันบ่อยค่ะแล้วหนูไม่อยากให้เขาแบบอยากให้เขาเข้าใจมันหนูค่ะแต่เหมือนกับว่าหนูยังถ่ายทอดยังไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจได้เวลาจะแนะนําพ่อแม่นะวิธีที่ดีที่สุดเลยเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นเราต้องดีขึ้นให้เขาเห็นได้เลยนั้นเราฝึกตัวเราเองก่อนอย่างเขาทะเลาะ ก, กันเราก็ยังใจเย็นสบายมีความสุขออย่างเงี้ย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 แล้วเรก็บอกเขาบอกว่าให้มาเรียนธรรมะเถอะเขาไม่รู้จะเรียนทําไมเพราะเขาก็เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรกว่าเขานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนคนอื่นนะแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาหนูเห็นคนข้างมีปัญหาค่ะคือเราชอบเก็บเอามาคิดอะค่ะเหมือนกับคิดแทนเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงเขาจนเราทุกข์เองอะค่ะให้เรารู้ทันใจเรานะเราไปทุกข์แทนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรหรอก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 บางคนตามมาดูที่วัดหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อสอนยังไงว่าเมียผมดีขึ้นตั้งเยอะบางคนมาสารภาพเลยบอกผมเหมือนได้เมีมยใหม่อีกคนตัวปากมากน้ำตายไปแล้วเหลือคนเรียบร้อยน่ารักแล้วก็คนที่ศึกษาธรรมนะน่สวยกว่าเก่าสวยขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่าคนที่อารมณ์ไม่ดีหน้าตายุยยีดูไม่ได้หรอกคนภาวนานะสดใสซับซา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 บางทีเนี่ยรู้สึกตัวแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลามีความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าเวลาที่มีความคิดที่เป็นกุศลนะคะแล้วเวลาที่มีความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะคิดอืค่ะก็เออเดียวอยากอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้สึกว่าจิตตื่นขึ้นมาหรือ ย, ยังอะคะ่ะตื่นสิที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมเห็นไหมใจเราโปลงโล่งเบาขึ้นมารู้สึกไหม นะรู้สึกไหมใจเราสว่างสวยัยไม่มืดมืดอย่างแต่ก่อนแม้ <Okay. S 2> เรามีความเปลี่ยนแปลงนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรย์จริงๆเลยบางคนรู้สึกเหมือนเป็นมนต์เปลี่ยนใจเลยนะจิตใจที่มืดบอดนะสว่างสวัยขึ้นมาได้จิตใจที่จมอยู่ในความทุกข์นะความทุกข์ตกหายไปมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นได้ฝึกไว้นะเป็นของอัศจรย์จริงๆพวกเรามีบุญที่สุดแ ล, ะละ้วล่ะได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้ที่มีศาสนาพุทธอยูนะ่แถมยังมีอาจารย์มาสอนให้ซึ่ง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 เป็นสิ่งที่คู่กับจิตจิตคือตัวผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์มีหลายแบบอารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็เรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะอารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติก็เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์ที่เป็นปรมัตดอย่างกายกระใจของเรานี่ก็เรียกว่าอารมณ์ปรมัดเพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าสมมติบัญญัติกับอารมณ์บัญญัตินะใกล้เคียงกันก็ถูกต้องแล้วแล้วไงสนใจอะไรกับอารมณ์บัญญัติทําไมไม่สนใจอารมณ์ปรมัตด สนใจอารมณ์ปรมาทนะครับคืออันนี้รู้ก็ปล่อยเฉยไปเลยใช่ไหมครับผมอย่าให้ใจนิ่งอย่างตอนนี้นะอย่างตอนนี้เฉยแบบนี้ใช้ไม่ได้เฉยแบบนี้เป็นเฉยที่บังคับตัวเองให้นิ่งต้องเฉยแบบสบายๆรู้สึกตัวสบายๆอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดซับไหมใจมันไปคิดรู้ว่าไปคิดดูเล่นๆนรู้เล่นๆนะท่องไว้นะเล่นๆเล่นๆ ล, ล, ล, ล้วได้ของจริงขอบคุณครับ อ้าเชิญคนต่อไปนััสการหลวงพ่อจะเรียนถามหลวงพ่อว่า<ม>กรณีถ้าเราปฏิบัติในด้านของสมถ า, ากรรมฐานเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของการคิดเนี่ยนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วมันก็เป็นจริงตามได้ได้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะปรเดนหนึ่งครับส่ว น, นกรณีถ้าเราได้ถึงด้านสมถ า, าแล้ว เ, เราจะหันมาทางในวงวิปัสสนาเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าในส่วนวิปัสสนาเนี่ย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 ไปต่อไม่ได้ไปเจอหลวงปู่ดุลเีเ้ท่านสอนเราดูใจที่ทํางานใจที่เคลื่อนไหวเงินไปต่อได้นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อคือพี่สุปเคยให้ซีดีไว้ดูอะค่ะไปฟังแล้วทีนี้ก็เออเอาไปฟังที่บ้านแล้วโดยความสุขว่แบบเฮยใจเรามันแบบจิตมันตื่นขึ้นนะคะแบบเออมันเริ่มรู้อะไรเงี้ยมากขึ้นแต่แบบเหมือนฟังตอนนั้นมันก็แบบเหมือนตื่นตอนนั้นแล้วพอแบบเป็นหลายวันเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มปฏิบัติเหมือนกันแต่แบบ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 มีกไหมนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนยกมือยกมืออะจะถามว่าบางทีแบบหลวงพ่อบ อ, อกว่าให้รู้อารมณ์หรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่าคือเหมือ น, นใจมันไม่มีแรงพอที่จะดูไวอะค่ะเหมือนแบบให้รู้ทันว่าใจไม่มีแรงนะใจตอนนี้ไม่มีแรงจริง <c oughs> เราไม่ฝืนมันน ะ, ะแค่รู้ว่าไม่มีแรง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 หลวงพ่อก็กล่าไวไว้คราที่แล้วคะ่ะอะไรนะหลวงพ่อก็พูดว่าหนูคล่าครวนค่ะหนูเพิ่รู้ตัวเองตอนอาบน้ำว่าหนูคล่าครวนตลอดเวลาดูไปนะรู้ทันตัวเองรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาพอเรารู้ทันตัวเองว่าคล่าครวนนะใจก็ตื่นละถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันตัวเองนะเมื่อ น, นั้นเราจะตื่นขึ้นมะาถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้ทันกายรู้ทันใจของปัจจุบันนันเราก็จะหลงไปหลับเ น, นี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มคล่าครวนอีกแล้วรู้สึกไหม หนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่รู้สึกตัวค่ะไม่เป็นไรแค่ว่าใจมันคร่คําครวญแล้วค่อยรู้ทันไว้คือหนูกลัวคะ่ะคือปีหนึ่งกลับมาเมืองไทยครั้งเดียวแล้วครานี่กลับมากลัวรู้ว่ากลั ว, ล ว, ลวไปเลยนะไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยรู้ไปเลยนะแค่เนี้ยเราไม่พลาดลนะโอเคค่ะเขาหน้ามาส่งการบ้านใหม่ปีตอนเนี้น <ะ S 1> เผลอแล้วรู้สึกไหมคิดถึงสาวหน้าไปแล้วใจหนีไปอนาคตแล้ว ดูออกเล่าเผอตั้งแต่ยกมือข้างแรกเราค่ะที่น้องๆถามหนูไม่รู้ตัวอ่าหนูเห็นไหมค่ําครวนน้อยลงดูอออกไหมชัดเก่งแล้วนะไม่งั้นพูดทุกประโยค์จะต้องค่ําครวนญดูอออกใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วค่ําครวญ น, น้อยลงแล้วขอบคุณค่ะคนคล้ำครวนมากๆไม่มีใครชอบหรอกเชื่อหลวงพ่อหนูไม่ที่อยากคล้ำครวญเนี่ยเอาอีกแ ล, แล้วเอาอีกแล้ว เห็นไหมพอรู้ทันใจมันตื่นขึ้นมาไปดูนะดูเราปัจจุบันอ้าวต่อไปกลับเรียนถามอีกครั้งนะคะหลวงพอ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอ่าว่างไงคือว่าบางทีอะค่ะหนูจะคิดมากคิดแล้วคิดอีกพอรู้ว่าคิดเนี่ยแล้วก็เหมือนรู้ว่าอยากตัวเองอยากให้รู้แต<ห>่รู้ทัน<า>ความกัวงวลใจของเราสินะพอเรากังวลแล้วคิดไม่เลิกหรอแต่มันไม่หายหนูก็เลยแบบ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 ก็คือก็ดูจิตแล้วแบบบางทีก็รู้สึกว่ามีอารมณ์แบบเศร้าๆอะไรเงี้ย<อ><ก>นัอนแหให้รู้ทันนะเรามีวิญญาณนางเอกเวลาผู้หญิงเป็นเยอะนะชอบทําใจให้เศร้าๆเจ็ บ, จบๆแสบๆในใจเนี้ยแสบๆนิดๆเน้ยนะสะใจดีอะไรเงี้ยเราต้องคอยรู้ทันมันนะมันเศร้าๆขึ้นมารู้ทันอย่ายอมมันคือบางทีรู้แล้วมันก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยมันเคยชิน รู้ด้วยความเป็นกลาง ไ, งไปเกลียดมันแค่รู้ว่าตอนนี้มันเศร้าแล้วดูเล่นๆไปเปลี่ยนอิริยาบทได้<น>ได้อย่ายอย่าให้ใจจมอยู่ในความเศร้าผู้หญิงเป็นเยอะนะเขาเรียกว่าโรควิญญาณนางเอกเศร้าๆรอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาปลอบอย่างนีน้ให้เรารู้ทันเราเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองได้เราพระจะแนะนาว่าให้ฝึก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 หรือไม่ก็ไปบ้านอารีวันเสาร์ตอนบ่ายๆไปหาอาจารย์สุรวัตนะรนี่มีอาจารย์อีกคนอาจารย์ธีรยุทธหยุดสอนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรัศกาลเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ไหนอยู่ไหนจะขอเรียนถามว่าแล้วเวลาที่เราคิดเรื่องงานหรือคิดอะไรที่เป็นเรื่องๆที่เราจําเป็นต้องคิดนี่เรารู้เรารู้ทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็แสดงว่าถูกต้อ ง, องแล้วนะเวลาที่ถ้าเราเกิด ปกติมันก็จะอย่างที่พระอาจารย์พูดแคะคะเวลาสวดหมดก็จะหลงไปคิดเรื่องโน่นนขึ้นมาเรื่อยๆต่อเพราะนนเราอันนั้นคอยรู้ทันเอานานๆคอยรู้ทีนึงก่อนอใช่ไหมฮะ<า>ว่าจะคอยรู้ได้แล้วมันจะถี่ขึ้นเองอ๋อเราจะต้องพยายามรู้ไปเรื่อยๆใช่รู้บ่อยๆแล้วเวลาเดินจงกรมนี่ก็ยังง่วงนอนทําไงเช้าค่ะเดินจงกรมยังง่วงอีกเหรอเจ้าค่ะเดินแต่เช้าเช้าเลยไม่ใช่หมดแรงแล้วไปเดินก็ง่วงนะอ๋อถ้าเดินตอนส่วนใหญ่จะเดินตอนกลางคืนนะเจ้านั่นแหละเราหมดแรงแล้วมันต้องการพักผ่อนนะมันไม่ไหวอ๋อ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 ไม่ต้องกําหนดเลยแหละเจ้าเรารู้เฉยๆว่าเราทำอะไรพระพุทเธเจ้าไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงกําหนดไม่ใช่ น, นะท่า น, นบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ให้รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเห็นร่างกายมันยนืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอ น, นอย่างที่เราคิดเห็นภาพนี่เป็นเราคิดหรือเรารู้เจ้าคะจิตมันคิดแล้วก็เราเป็นคนรู้ว่าจิตไปคิดแต่ถ้าไปเห็นภาพเนี่ยเราหลงไปคิดล้ว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 เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะรู้สึกบ่อยๆครัหลวงพ่อชอบให้ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อไม่ชอบทํากรรมฐานนิ่งๆเพราะทากรรมฐานนิ่งส่วนใหญ่ไปติดสมถะก็คือจริตที่ที่ผมควรจะฝึกก็คือเป็นเกี่ยวกับกายหรือว่าความคิดครับรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปก่อนนะสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตเองได้ครับ เพราของคุณเน่ใจมันยังวิ้นรนฟุ้งซ่านเยอะอยู่พยายามรู้สึกกายมันจะได้สมถะแทรกเข้ามาครับไปดูจิตมันจะฟุ้งดูยากได้ครับขอบคุณมากครับขอถามบ้างน่พอดีเพิ่งนึกได้ว่าคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมมักชอบชอบดูจิตแลให้มาดูกายแต่ใจมันก็ยังชอบดูดูความคิดอยู่เรื่อยครับมันเป็นเพ่งความคิดนะมันเป็นเพ่งรู้สึกไหมพอไปดูแล้วมันนิ่งมันไม่เป็นธรรมชาติ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 ไม่มีใจรักให้ดูจิตมนุษเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแสดงใจรักตลอดเวลาจิตของสัตว์นรกก็ไม่ดีมันมีความทุกข์คงที่อยู่อย่างนั้นนะทุกข์อยู่อย่างนั้นมันดูยากจิตของเปรตนะมันก็โลภอยู่อย่างนั้นนะอยากอยู่อย่างนั้นนะมันดูยากมันค่อนข้างจะคงที่มัอยากยาวจิตของสัตว์เดรัจฉานก็หลงไปเรื่อยๆก็ดูยากจิตของเทวดาก็มีแต่ความสุขความสบายก็ดูยากนะมันเผลอเผลิงง่าย จิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยหมาะที่สุดเลยที่จะทำํำนิพพานาเพราะสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานเห็นไหมดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราแค่มีสติตามดูไปเรื่อยๆนะเพราะสรุปจุดอ่อนก็คือยังยงเพ่งอยู่ยังเพ่งอ ย, อยู่นะได้เวลาสมควรแล้วครับเหลอสมควรแล้วนะอ๋ะ <laughs> อยังมีอีกก็ค้าจานครับพอดีว่า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 ใจเรารู้สึกยังไงนะคอยรู้ทันเรื่อยๆลองเพิ่มตัวนี้ลงไปสรู้ท่านยังไงครับก็ดูอย่างรรอยา่องอยางตอนเนี้รู้สึกไหมมันกลุ้มใจใช่ไหมรู้เรเห็นไหมมันกลุ้มใจเราก็รู้ว่ามันกลุ้มใจเนี่ยตอนนี้ใจเราไปคิดทราบไหมใจเราไปคิดเห็นไหมดูง่ายเด็กๆดูง่ายหลวงพ่อบอกแล้วพระอาจารย์ครับเราตอนเนี้ผมควนจะฝึกอะไรให้แบบจะได้เรียนหนังสือไปแล้วใจกงังวลรู้ว่ากังวล ใจเป็นยังไง ร, รู้ทันเป็นไปเรื่อยๆรู้เปเรื่อยๆทําหน้าที่นะตอนนี้มีหน้าที่เรียนเรียนให้เก่งๆนะเรียนไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไป<อ>แถมตัวนี้ไแล้วเราจะได้มีทั้งความรู้แล้วเราจะมีทั้งความสุขด้วยคนมีความรู้อย่างเดียวนะหาความสุขอย่างไม่ได้หรอกยิ่งมีความรู้แล้วไรคุณจะ ร, รมนะยิ่งไปทําชั่วได้มากกว่าคนอื่นนั้นเรามีความรู้นะแล้วเรามีสติอยู่เราได้รับความสุขด้วยนะ พอเราจิตใจเรามีความสุขนะใจเราจะเต็มอิ่มเราจะให้คนอื่นได้อย่างอาจารย์ซุปเนี่ยให้คนอื่นได้นะให้ได้เพราะอะไรเพราะเขาเต็มที่ใจเขาเต็มนะเพาะเข้ารู้ทันใจถ้าใจของเรามีแต่ความอยากแผดเผาตลอดเวลาะใจแห้งผากใจไม่เต็มหรอกใจบกพร่องตลอดล้วเราคอยรู้สึกรู้ทันในตอนนี้ใจบีคิดคราบไห้หัดตรงนี้นะใจบีคิดเรารู้ใจปีคิดเรารู้ยกเว้นตอนจะทาข้อสอบนะ เราเวลาเรียนเนี่ยครับเวลาแบบเรียนต้องตั้งใจเรียนกฎละเรื่องกันโอเคครับเวลาอยู่เฉยๆที่ไม่ได้เรียนนี่แหละชอบแอบไปคิดเรืเอเ่อยเปื่อยตรงนี้แหละให้คอยรู้เอาแล้วผมหามอีกอย่างนะครับก็คืออาการแบบเวลาความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็คือสมมติแบบเรก็เห็นนะแบบความรู้สึกอันนี้มาแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกใหม่มาแล้วก็หายไปถ้าโกรโกรธแม่กับโกรธน้อยมันก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมครับ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 เรียนหนังสือก็ต้องเรียนให้เก่งมีหน้าที่เรียนต้องเรียนให้ดีที่สุดนะแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองเราจะมีทั้งปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมชีวิตเราถึงจะสมบูรณ์ไม่ใช่ขาดวินกับพร่องกับแพร่งทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่ขาดวิ่งหาความสุขไม่ได้นะต้อตะเกียกตะกายไปหาความสุขที่คนอื่นอย่างบางคนนะัต้องให้คนอื่นยอมรับต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขเลยต้องไปอิงอาศัยคนอื่นตลอด อยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีแฟนต้องมีโน้นต้องมีอย่าง น, นี้นะต้องมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขมือถือต้องรุ่นนี้ถึงจะมีความสุขความสุขของเราอยิงอาศัยสิ่งข้างนอกทั้งนั้นเลยถ้าเราฝึกตัวเรานะจนเรามีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองถ้าเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเราก็คราวนี้ใจเราจะล้นความสุขมันล้นออกมามันจะเผื่อแผ่คนอื่นด้วยมันจะไม่ได้เข้าไปแย่งชิงคนอื่นเขานะแต่มันจะเผื่อแผ่ความสุขไปสู่คนอื่นโดยอัตโนมัติเลย นันครูบาจารย์ที่ภาวนาเนี่ยสังเกตไหมครูบาจารย์นะถ้ามีความสุขนะเข้าใกล้ๆก็มีความสุขนะใครเข้าใกล้ก็มีความสุขท่านเผื่อแผ่ความสุขออกไปสู่คนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะนั่นเราฝึกนะวันนี้เรายังเด็กอยู่เราฝึกทุกวันทุกวันพอชั่วโมงบินเราสูงเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นยอดมนุษย์เลยนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์น ะ, ะสมควรแก่เวลานะอันนี้อ่เขาผมขอ ขอเป็นตัวแทนนะครับในการนำถวายทานขอเรียนเชิญคุณพ่อเก่งผลคุณแม่ชิลดีครับมีของที่ญาติธรรมนำมาถวายนะครับเดี๋ยวทุกคนกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรามและของถวายทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ ปราโมทปราโมทโชว์ชวขอพระอาจารย์จงรั บ, พรรบเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, ยลาตลอดสิ้นกาลนานเทินสาธุหลวงพ่อให้พรตามธรรมเนียมนะคจริงไม่ให้ก็ได้แต่ให้เป็นกำลังใจะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรัง เอวะเมวายโตดินนงเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโดพนารโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาธนาศีลสนิจังวุธาปจายโน จตารโรธรร ม, มาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังล